ปฏิบัติวกับการละเวลาดูละก็มีวิจารคุณว่าต่างๆของรูปของนามไม่ใชการใช้ใจ้รูปใช้นามนี้ให้ปฏิบัติ ตามเวลาให้ถูกต้องเรานี่ได้สาธยายพระสวดสวดวันไหว้พระมาเป็นเรื่องของจิตใจก็จเราก็ได้ทำเสร็จแล้วจิตใจก็ได้ถูกคุณภาพมีคุณภาพและแสดงออก กิด ใ, ใส่ใจตามได้เป็นสัตว์ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้สมบัดิเราได้จะแดกออกโดยหายใจเข้าได้หายใจออกได้มีสติเก่งเฉียงออกไปในคำสั่งสอน ที่เป็นความถูกต้องปฏิบัติดีแล้วเราก็ได้ดูตัวเองปฏิบัติตรงแล้วได้ทำได้ทำแล้วปฏิบัติออกจากทุกแล้วได้ทำแล้วปฏิบัติเป็นสถาบันได้ทําอย่างนี้ตลอดเวลาสม่ำเสมอ นี่เห็นจิงเวิดลมที่เราได้แสดงออกถึงกิดถึงใจสอนต้องกายสอนล้างใจหายใจเข้าหายใจออกแต่ละบทแต่ละวร์พอดีพอดีปอดก็ได้บริหารต้องให้ปอดมีพลัง เมื่ปอปอดมีพลงังเส้มแข็งก็พอกเลือดพอกลมได้ดีก็มีสุขภาพโอวยเนี่ยนี่ประโยชน์ดรงนั้นอีกสักชั่วอโมองข้างหน้าเกี่ยวกับลมไส้อาจจะออกโยคาหรือจงกรมเพื่อนไหว ทำให้ขับถ่ายได้ชั่วโมงข้างหน้าเป็นลำไส้เป็นกระเพาะต่อไปก็จะเกิดกวามหิวอาหารตามหน้าที่ของอวัยวะต่างๆก็ทำให้มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ได้ช้ ความถูกต้องให้เกิดขึ้นกับร่างกายจิตใจของเราเราได้จเจริญสติสมะชัญญาสมผัทเข้าถึงกายถึงใจโดยสอนกายไดยสอนจิตใจใน้เาวเดียวกันกายก็ให้เกิดความรู้จึกตัว ความรู้สึกตัวได้คุรูของกายเวลาใดที่จิตจีมันชิดเทวันของจิตทีมันิดก็ได้รู้สึกตัวก็ได้สอนจิตต้นตอของก่รมทั้งหลายเกิดจากความคิดเราได้ทำหน้าที่ตรงนี้พอดีพอดีได้เห็นความคิด ความคิดอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่ควรจะตั้งใจคิดจึงใดเวลานี้วางไว้ก่อนให้โอกกาออใจมาทำหน้าที่ให้เกิดความรู้สึกตัวไปเสียก่อนเรียกว่าประกอบกรรมดีกรรม เป็นต้นกำเนิดของบาปของบุญถ้าทำดีมันก็ดีได้ถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่ดีเราจึงมาเริ่มต้นที่ตรงนี้กันเนื้อกายว่าใจถูกสอนก็จะเกิดคุณภาพขึ้นมาเวลามันคิดเด้รู้เฉกตัวอะไรที่มันคิด เกิดจากจิตที่มันคิดนี่เป็นความรู้สึกตัวหลายข้างหลายโหนเข้าไปจิตใจก็คุ้นเคยเมื่อไดคิดเถื่อนๆแต่ก่อนอะไรก็คิดได้พอมามีสติก็อายคิดไม่ได้เวลาคิดแต่ใดที่ไม่ถูกต้องก็ตกใจถือว่าตัวเองมีความผิด ได้สอนกิตได้เปลี่ยนใหม่เรียกว่าปฏิบัติใหม่ตทำถิงได้ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องก็จะจิตข้างแล้วข้างเล่าได้เห็นความคิดที่เป็นต้นตําเนิดของกรมทั้งหลายได้ทําตรงนี้ประตูแห่งบาปแห่งบุญอยู่ตรงนี้ได้ปิดประตูบาปได้เปิดประตูบุญก็ว่าได้ จึงเป็นเรื่องที่สมบูรณ์ได้สอนกายสอนใจแต่ก่อนนี้เรามาค่อยได้รู้สึกตัวตรงนี้กันก็ใช่ความคิดได้ทุกอย่างจนเป็นเจลิตยนิสัยเคยไหลไปทางอื่นง่ายๆอลางคืนก็ว่าฝันกลางวันก็ว่าคิด คืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวมอมาเห็นเห็นต้นตอของมันเนี่ยมันก็สนุกสอนสนุกสอนจิตเห็นความไม่ถูกต้องเ ก, กิดจากจิตเยอะแยะก็เลยสอนทุกขังที่มันผิดในข่าวเดียวกันนั่นเช่นความคิดกี่ควาเป็นทูก ความคิดผายเกิดความพอใจความคิดผายเกิดความไม่พอใจได้เกิดความลูกขึ้นซะความพอใจความไม่พอใจก็ไม่มีสิทธทิจะมาใช้จิตได้จิตไม่เคยไป ร, รับใช้กับสิ่งเหล่านั้นไปไม่ถับไปถึงนั่นหยุดไว้ก่อนเกินพ่อแม่ดูแลลูก เวลาอันตรายเกิดขึ้นไว้แม่จะคั่วไว้ก่อนปวดไปไว้ก่อนเดเลยจิตถูกสองสอนอยู่แค่นี้บ่อยๆต่อไปต่อไปจิตมาจะดูจิตเองนี้จะติดูกิตมีจิต ด, ดูกิตต่อไปจะเป็นอย่างนั้น ในตัวมันเองกายดูกายจิต ด, ดูจิตเป็นดัตโนมัติก็อาจจะง่ายขึ้นใหม่ๆก็ทวนกระแสสักหน่อยมันไหลพอทวนกระแสแล้วก็จะอยู่หือนขับรขึ้นมอขึ้นที่สูงทวนสักหน่อยพอมันขึ้นสูงได้ก็ง่ายๆไป้ รู้ง่ายกดหลงก็ฝึกไปฝึกไปมันเป็นไปได้จิตของคนเราเนี่ยมันฝึกได้มันสอนได้กัญโยนพุทลอยอย่างอุคริบาลก็ยังสอนได้หลายหลายชีวิตที่ถูกสอนเรื่องความจิตให้เป็นความถูกแค่นี้มันเปลี่ยนได้ทุกคนทุกชีวิต แล้วก็ชอนตรงนี้กันมีกรรมฐานที่ตั้งไว้มีที่ตั้งมีการกระทันอยู่เช่นนี้ได้เห็นของเทศของกิ่งในข่าวเดียวกันที่เกิดกับกายกับใจของเราเนี่ยก็มั่นใจมั่นใจในการใช้กายมั่นใจในการใช้จิตใจแต่ก่อนไม่เคยมั่นใจเลย เชื่อใจมั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรสุ้มร้ายคุ้มดี ใ, ใจก็พึ่งไม่ได้กายก็ทำอย่างอื่นเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็รับใช้มันแตพ่พฤ้ต่ผือเหมือนเสือหกบากร่างกายนี้นลูกนี้แต่และปากกินอาหารไม่เหมือนกัน ต้องหาอาหารให้มกินทุกแบบต้างกอยกมีตามีหูมีลูกมีรส ม, ม, มีกลิ่นมีเสียงหูก็ชอบเลืออาหารแบบหนึง่งตาก็ชอบอาหารแบบหนึง่งจมูกก็ชอบอาหารแบบหนึ่งกายก็ชอบอาหารแบบหนึ่งจิตใจ ก็ชอบแล้วแต่จะบัญญัติเอาสมมุติเอาสิ่งที่เคยชอบกว่าไม่ชอบกว่ามีกับกอกอกวงเก่งจิตใจเหมือนลิงอยู่นิ่งไม่เป็น้าไม่สุกส่วนอ่ะเหมือนลิงตาก็เหมือนงูงูก็เหมือนนกจะงเหมือนสุนักบ่า กายก็เหมือนสุนักอยู่ในแนดนมานลิ้นก็เหมือนจอละเข้แสวงหาคนละทางกันตัวมีสติจะเป็นตันเดียวกันแล้วบะเนี่สติเป็นใหญ่เป็นอินทรีย์ตัวใหญ่ไ่ใช่ตาไ่าใช่หูไ่ใช่จมูกลิ้นกายใจสติอินทรีย์นี่ ใหญ่สาหารถุมของได้ไม่ใช่ตาเป็นใหญ่ต้องผาความรู้จักตัวเหมือนว่าตัวตีเป็นเจ้าของลยรจะของกิดใจเอาตาเอาหูเอาจามูกได้ยินกายใจมาลับใช้เป็นความคิด ถ้าสติเป็นใหญ่ล้วก็จับความคิดมาคิดมาใช่แต่ก่อนทางความคิดมันใช่เราว็าอยากคิดมันก็คิดคิดจนนอนไม่หลับความคิด่าให้เป็นสุขเป็นทุกข์ร้อยทั้งร้อยความคิดพาให้เป็นสุขได้ความคิดพาเป็นทุกข์ได้เอาชีวิตไปห้อยไปเขียนเลยกับความคิด คมคิดก็ไม่ใช่คิดเรื่องเดียวจุกเรื่องเดียวโดยแต่บัญญัติเอาสมมุติเราความจุ ข, ของทุกแต่ละคนสมม่ิบัญญัติต่างกันไม่ใช่ปรมาสักรแม้แต่ความไม่ดีก็ยังบัญญัติทมตามพอใจทําตามความไม่ดีไม่ถูกต้อง ถ้ากูได้โกรธกูไม่ได้ดา่ามันกูไม่ยอมด่ากันจนได้นี่เหมือนหยดอาดอะอย่างนี้ถ้ากูได้โกรธกูไม่ฆ่ามันกูไม่ยอมกูต้องฆ่ามันให้ได้ตามตามความโกรธ ต, ตามความผิดมีเยอะแยะตามๆความรักตามๆความเจียดชังแบบใช่ทุกอย่างกายใจไปทตามๆ ตัอย่างถ้ามาเกิดสมมติบัญญัติขึ้นมาตัวรูปนี้นามนี่มันเป็นวัตถุอาการวัตถุอาการตาก็มองเห็นรูปก็เป็นอาการเห็นก็มีสมมุติที่ตรงนั้นด้วยถ้าเห็นรูปก็เกิดความพอใจและไม่พอใจก็มีเหมือนกันหมูดี่ยินเสียงก็บัญญัติอีกว่าพอใจไม่พอใจ มันก็ใช่ผิดผิดไปเอาความพอใจไม่พอใจเป็นชูบัญญัตาทงเป็นตัวเป็นตนไปซะแบดนี้เห็นความจริงเห็นปรัมมัดเช่นความหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธถูกต้องปรัมมัดมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สมมติบัญญัติเป็นปรัมมัดสัจจะอันมีอยู่ทุก ท, ที่ทุกทาง ไอ้ความทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์ไอ้ความโกรธมันก็ไม่มีความโกรธถ้ารูปปัจจบันเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงเห็นวัตถุอาการที่มันอยู่กับรูปนามตามความเป็นจริงเห็นสมมุติเห็นบัญญัติตามความเป็นจริงก็เหมือนกับ ว, ว่ามีทำนูญของชีวิต ไม่ใช่ไปอวดอ้างทำนูนเหมือนกับการเมืองเตะความจะไปตีได้ไงทำนูนจริงๆเนี่ยจวบอกความทุกข์ไม่ถูกต้องความไม่ทุกถูกต้องแค่นี้จบไปแล้วไม่ใช่อธิบายความในความทุกข์นม่ความไม่ทุกข์อธิบายอย่างไรต้องเป็นผู้ที่สมผัด เอาจังจะบอกได้สมภารเราเองเป็นปัจจัยต่างแต่ละคนแต่ละชีวิตไม่ใช่โอสมมุติไปขี้ไปแฉ่งเรื่องที่จะให้ความผิดเป็นความถูกคเรื่อความถูกให้เป็นความผิดได้ แ, แต่มาเลยสาถายของใครไม่อย่าสาถายของใครจะบัญญัติเอาอธิบายให้เห็นเหตุเห็นผล เหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่เหตุใช่ผลเหนือเหตุเหนือผลอธิบายไม่ได้เช่นรสหวานอธิบายความหวานอธิบายไม่ได้รสเค็มอธิบายความเค็มมันอธิบายไม่ได้รสพระทมมันก็เหมือนอย่างนี้อธิบายไม่ได้ท่านเจ้าจึงบอกปัดเลยว่า มันผมาจันทร์นี่หน้าเดิมเหมือนมันดะยอดโอชาแห่งโกรถี่ดรสวดประสูติจีดีปมาจันจร์คือรสชาติของผู้ที่จบปมาจาันทร์ไม่มีไม่มีรสชาติในในความพอใจความไม่พอใจไม่มีรสพระธรบมรถปมาจันทร์เกิดขึ้นเหมนยอดโอชาแห่งโกรถ มันด่าอมตะ น, นี่มันน่าดื่มเหมือนมันด่าโอ้โฉ ช, ชาแห่งโครด์มีเงินมีทองซื่ออไอม่ได้สมบัติ ด, ด้วยชีวิตจิตใจจริงๆเยอะได้คนที่มีทุกข์ความไม่ทุกข์ก็ ม, มีกับเขาดา้่นคนที่กดูดความไม่กดูมมกดก็ ม, มีกับเขาดา้่นแต่เขาไม่รับเอาเขามไม่เคยฝึกหัด ไปทางโน้นซาถ้าไม่รู้จะกลับมามาสอนมันก็ทําไม่เป็นการสอนใอ้ลูกเดี๋ยอจะลูกได้ความโกรธไว้ดีนะควมไม่โกรธดีกว่าอลูกว่าความโกรธมันไม่ดีก็ยังพากันโกรธความทุกข์มันไม่ไมดีก็ยังพากันทุกข์เหมือนสอนกันไปได้ให้สมผัสเอาวัดสัมผัสที่ ดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือเดี๋ยคือปัสสาะเนี่ยเวลามันยิดรู้จักตัวเนี่ยเวลามันทุกข์รู้จึกตัวยิ่งดีมากเวลามันโกรธรู้จึกตัวยิ่งดีว่าแต่ต้อ ง, องเกคกไว้ก่อนถ้าจะไปหยู่ตอนที่มันโกรธแล้วมันมันอาว่าค่อยจะอยู่จึงขาดไว้ก่อนให้เป็นความเงี้นแนแน่ไว้ก่อน เหมือนข้าศึกกับกำลังคนตอบให้ได้ก่อนเหมือนนักชกนักกีลาที่จะขึ้นเวทีลงสนามต้องฝึกไว้ก่อนจะได้จัดแดงนักกีฬาออกมาไม่ว่าอะไรเป็นนายแพทย์ในขณะที่สังหกฝึกไว้ก่อนรู้ไว้ก่อน เเวลาเลไเกิดขึ้นก็รู้ได้ใช่ได้ทันทีแต่จินงจ ا ئ การด่นดวนทันเวลาตั้งการจะ่ทำว่าสะดวกทั้งความรู้ก็ตัดสินใจ ا ئ การหลังคนมันพร้อมป้าชึกก็เห็นปรับได้ทุกทุกทางเป็นความคิดเป็นค้าศึกการหลังคนเป็นความรู้จากตัวไว้ ยิงแม่นแม่นไวาบาปได้ก็จึกจะนวนมากกำลังพลน้อยๆก็ปราบได้นี่คือสะดวกปฏิบัติดีปฏิบัติตึงปฏิบัติตอจากทุกปฏิบัติเป็นสถาบันมันคืออย่างนี้มันปราบได้เรียกว่าธรรมะกับ ม, มือเดียว นี่จะไปรู้จักตัวแล้วลูกความรู้จักตัวเนี่ยจะแรกคือความรู้จักตัวเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้จักตัวต่อไปต่อไปกลายเป็นศ you vale. yes. ีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาความรู้จักตัวก็หลอความชั่วความรู้จักตัวก็ทําความดีแล้วมีความรู้จักตัวจิตก็บริสุทธิ์นั่นแหละศีลนั่นแหละสมาธินั่นแหละปัญญา สินคำจัดความชั่วสมาธิําจัดความชั่วปัญญาคำจัดความชั่ ว, ญญ ค, ว, วคืออันนี้เป็นพลังสนับสนุนกันว่าสินมีสมาธิก็มีสมาธิมีปัญญามีพวกมีปัญญาศินก็มีเป็นมีศินสมาธิก็มีสนับสนุนเหมือนกองจกักไปแค่เข้าแถวกัน เป็นวงกลมเป็นกลงจอดอะไรก่อนอะไรหลังมันต่อไม่ได้มันมาเป็นกลงพร้อมกันหมุนไปพร้อมกันไม่ใช่อันเดียวชเข้าแถวเดินนำ้ำแถวไตคันนาไม่ใช่แบบนั้น่หมุนนึกว่าทามาจากักกบประวัตถสูตรหมุนไปที่ดอย ก็ลาบเรียบไปเหมือ น, นใบรถแทักเตอร์ใบมีดรถแท็กเตอร์ใบมีดรถเกรดเวลาใบมีดลงสูงขึ้นที่ใดก็เรียบไปอย่างนี้เราจะ อ, อย่างไงชีวิตเราก็มาใช้เรื่องนี้มันมีค่าจริงๆแบ่งกันกันไม่ได้กรามใครกรรมเรา ทำมาเองผู้ปฏิบัติก็ยอมศึกษาด้วยตนเองทั้งนั้นไอ้ <c oughs> คนอื่นทําไม่ไปได้หลงเองต้องรู้เองปวดเองต้องรู้เองทำ <c oughs> ไม่ทำตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วเวลาเรามาปฏิบัติกรรมาฐานมันเห็นตรงนี้กันมันใี่เห็นอยู่เนี่ย เปิดตัวออกมามานี้เหมือนกับของปิดเปิดดอกแล้วของที่พุ่มหมายขึ้นแล้วเห็นทุกคนก็มีสติเหมือนตาภายในเป็นหน้าโลกเปิดจากกายก็เห็นเกิดจากจิตใจก็เห็นได้สอนกายได้สอนใจสอนที่ผิดได้เป็นความถูกต้อง หลายเรื่องหลายอย่างถูกวังอย่างก็แล้วไปบางจากก็หลายรอบวามผิดหลายรอบก็ไม่เก่งถ้าไม่มีพลังพอก็หลายรอบถ้าพลังพอพร้อมหย็ดพระอนาคามีรอบเดียวก็หมดไปแล้วถ้าพระสุดาบันพระชจิียาคามีก็หลายรอบจึงหมดไป โอกาสิจอยู่บกคลโอ้เข้มขมเข้มแข็งกล้ากำลังกะโดดถึงสุดยอดทีเดียวก็มี <c oughs> บางคนก็ต้องปลียนปลายไ ป, ไปเห็นปัญจวัคคีย์ฝังธรรมพุทธเจ้านอกงอยู่ด้วยกันคนถทนย่า มันรู้ถามก่อนว่าเปะพัทยามหาณมาอจักิสุดท้ายแล้วแต่กาลังความเพียนของบุญหลุษของคนใดนี่จิตใส่ใจตามแค่ไหนเพียงใดทําไมใจทใําไมใจเราถึงใจทุกครัง้งสัมผัสได้ที่ใจเล้วมัดหลงลู้นะเรารู่า ถ, ถึงใจแล้ว ไ ล, ล่ลความผิดเป็นความถูกแล้วทุกครัง้งที่มันผิดนี่วิชากรรมธรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้จึงไม่รู้จะสอนกันอะไรอีกให้สัมผัสเองได้เห็นทากับมือสัมผัสได้กับมือเห็นกับตาจับมาดูเหมือนกับจับจุกมือมาดูด้วยจงูงแขนจูงมือมาดูชี้ให้ดูตรงนี้เนี่ย ไม่เหมือนกับเป็นอย่างนั้นหลงก็เทียนสอนอยู่ด้วแล้วเรามาดูตัวเองมันก็นเหมือนจับมือว่าดูอย่าเข้าไปในความคิดให้เห็นมันคิดอย่าเป็นผู้เข้าไปในความคิดหรือเรามันทุกข์ก็อย่าเข้าไปในความทุกข์เห็นมันทุกข์นี่เหมือนคนเห็นคลื่นน้ําำวิ่งวนฝัง เรายืนอยู่วนฝั่งขึ้นมามาขึ้นใหญ่ใหญ่มือนจะทั่วหมหัวเราว่ามาเจอฝั่งก็เงียบห า, ายไปเราไมา่หลงไปเล่นกับมันมันมีจริงขึ้นมันก็มีจริงแต่เราไม่อยู่วนฝั่งคือผู้ดูนี่เป็นผู้อยู่วนฝั่งถ้าผู้เป็นก็เขาไปเล่นกับมัน ไอ้ขึ้นชัดขึ้นชัดลงสุขก็พูขึ้นทุกข์ก็แฝงลงเช่นนั้นหรือ ว, ว่าไปอยู่กับความสุขไปอยู่ความทุกข์จึงมหัศ ด, ดูขึ้นหวังดูมันเนี่ยไม่ต้องไปสู้อะไรเลยในง่ายอย่างนี้กับมาฐานนะสู่ตั้งหลายจงมาดูโลกนี้เย่อสอนอย่างนี้มาดูอย่าเข้าไปเป็นกับมัน มีเจตีดูกายเคลื่อนไหวเมื่อดูก็เห็นเห็นใจมันคิดถ้าเห็นก็ไม่เข้าไปเป็นกับมันม่นมีให้เห็นอยู่แต่ไม่เป็นนี่แหละคือไม่ต้อนรับไม่ให้ที่อยู่อาศัยไม่ให้ค่าอะไรเกิดขึ้นไม่ต้อนรับไม่ให้มีที่อาศัยไม่ใค่าเรียกว่าบริสุทได้ ไม่เปืเ่อนก็ไม่เป็นพรหมจรรย์ได้งไงไม่เปืเ่อนๆนะเห็นเ น, นี่ยไม่เปิดเื่อนๆนี่แหละพืชพรหมจรรย์นี่แหละองค์มรรคให้เห็นเนี่ยไม่นี่แหละองค์มรรคคือดูเนี่ยเห็นแล้วก็ไม่เป็นเนี่ยมันง่ายๆอย่างนี้น่าจะกระตือหรือรุ่นโอยทำง่ายอย่างนี้เขาบอกคนอื่นให้รู้ตามได้เนี่ยเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้ น, จ, นจากความทุกข์อย่างเนี้ย เห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ่นจากความโกรธเลยมาอะไรก็พ่นไปหมดเลยเนี่ยอุ้ยมันง่ายอย่างนี้คิดถึงพ่อถึงแม่อย่าไปบอกพ่อไว้บอกแม่พ่อก็ตายไปแล้วอ แ, แต่แม่เนี่ยหรือว่าจะเอไว้สอนแล้วก็ออยากกันแล้วว่า เ, เอาความคิดเป็นบ้าผููเลยต้องมาคิดเป็นโน่นเปกลัวมันอะไรเกิขึ้นมาความกลัวก็เห็นมันกลัว ไม่ใช่เป็นผู้กลัวเกิดมันคิดอะไรต่างๆมันต้องเกิดจากความคิดเตี้ยโดดจึงมามป็สติเป็นเจ้าของกาบเป็นเจ้าของคิดใจนี่จำางจึงจะมาเป็นเจ้าของกาบ เ, เจ้าของใจเมื่อสติเป็นเจ้าของมันก็คุ้มครองเมื่อคุ้มครองก็ป้องกันก็จะที่จะมาลบํำลาย ก็มันก็ชัดนะไม่มีคําว่าแพ้ถ้ามีพลังดีๆมีสติดีๆแต่ว่าต้องฝึกเอาไว้อาจจให้มีสติดูการเคลื่อนไหวไปก่อนให้รู้จึกตัวมันก็เป็นเจ้าของยึดไปก่อนยึดเกาะไว้ก่อนอะไรเกิดขึ้นมาก็มารู้จึกตัวไว้ก่อนอย่าหาคําตอบจากความคิดให้เป็นการกระทําจริงๆนะ ดีขอเป็นมีเป็นเพื่อนขอเป็นส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติจากชีวิตหนึ่งเราทำมาเดียวกันแท้แท้เนี่ยไม่ใช่คิดมาอ่านตําราที่ใน ม, มาสอนทุกคนก็ยกมือพลิกมือก็รู้ได้ยกมือขึ้นก็รู้ได้เนี่ยมือมาเคลื่อนไหวนี่กดด็รู้ได้ลู่แขนเข้ารู้ได้เหยียดแขนออกก็รู้ได้เนี่ย มันทําได้อย่างนี้จึงบอกได้สิงที่ท่านทําได้ทุกคนทําได้ถ้ามีมือเคลื่อนมาโดยให้รู้แต่รู้นั่นแหะถ้ามีกายเคลื่อนไหวให้รู้นั่นแหะเป็นเมล็ดขันโพธิก็ว่าได้เราบอกพ่อมันงอกงามขึ้นมางอกงามขึ้นมาหายเจเข้ารู้สึกหายเจออกรู้สึก ความรู้เหมือกั น, กนเวลามันคิดไปรู้จึกแต่ก่อนมันคิดฟฟีๆนะวัานี้เห็นรู้จักตัวเลยกอนเคลื่อ น, นไหวของจิตคือมันชิดเลยได้ทุกอย่างเลยก็มารู้จักตัวลลแล้วเอลันเนาะได้ยินบอว่าแม่เพี้ยนนะอ่าอ่าจบเจนี่สมควรเจ้เวลากับพระพอคกัน